ภาวนาด้วยบทสวดมนต์ถ้าภาวนาด้วยบทสวดมนต์เป็นการปฏิบัติสมาธิแบบฤาษีเพราะฤาษีเขานับถือพระพรมทีนี้นักภาวนาแบบอิทธิฤทธิ์เขานับถือพระสิวะพระวิษณุพระพิคเนตเวลาเข้าภาวนาเขาก็โอมพระสิวะแล้วก็พันณนาคุณของพระสิวะเรื่อยไปอันนี้เราภาวนาแบบพระพุทธเจ้า เราก็เอาคุณของพระพุทธเจ้าทีนี้พอสวดไปอิติปิโสภักขวาจนพักขวาติสวดเรื่อยสวดไปสวดไปจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิมันจะหยุดสวดเองพอมันหยุดสวดแล้วเราไม่ต้องคิดที่จะสวดให้กำหนดรู้จิตเฉยอยู่มันจะว่างอยู่อย่างนั้นตลอดการก็ปล่อยให้มันว่างไปก่อนเมื่อจิตว่างมันเป็นฐานสร้างพลังจิต สมาธิมั่นคงสติมั่นคงแล้วมันจะเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาเองบทสวดพาหุงก็เป็นบทสวดมนต์ทั้งนั้นแหละสวดมนต์ในเจ็ดตานาน12ตํางนานฉบับหลวงมันเป็นการบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าความหมายและอนุภาพของบทสวดแต่ละบทไม่เหมือนกันพาหุงเป็นคาถาปราบมารบทนาาคีริง พระพุทธเจ้าปราบช้างนาราคีรีตอนที่พยามารมาผจญตอนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ใครจะแนะนำเรื่องการสวดมนต์อย่างไรก็แนะนำไปเถิดแต่หลวงพ่อจะตัดสินให้บทสวดที่เราจะยึดเป็นหลักคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมตตาพรหมวิหารและอุทิศส่วนกุศลยึดมันให้มันอยู่ในหลักนี้แต่การภาวนา เราจะไม่สวดอะไรก็ได้กำหนดสติรู้จิตเฉยถ้าจิตนิ่งๆิ่งปล่อยให้นิ่งไปถ้ามันคิดให้รู้นิ่งให้รู้คิดให้รู้นิ่งให้รู้ตามมันอยู่อย่างนั้นแต่การไม่สวดมนเลยจะเป็นแนวทางให้ขี้เกียจเกินไปมีสวดบ้างก็จะได้ปลุกใจให้ขยันขึ้น